โอกาสนี้นะเราทุกคนก็ได้สมาทานพระกรรมฐานสมาทานสินแล้วก็ะคายเสอทั้งหลายจะได้ะระลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้กระทำกันมาว่าเราได้ตั้งใจบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ น่าจะจำความได้การตั้งใจบูชาของเราแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็จักแต่ว่าทําไปเช่นนั้นเองบางครั้งเราก็ตั้งใจแน่วแน่แล้ ว, วันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันเสาร์ที่22มก ร, ราคม 2 5 4พันห้าร้สสิบแปดเวลาก็ผ่านมาหลายตั้งบอกว่าหลายปีเราก็ได้ไว่ายลระอูชาพระก็นับครั้งไม่ทุดเท้าที่จะจำระลึกนึกได้ก็มีไม่มากครั้งนับที่เราได้กระทำด้วยความรู้สึกจากทำทจริงจริง อยากจะบูท า, าพระพุทธเจ้าจริงๆจะกระทำความดีอย่างจริงใจจะก็มีไม่หลายครั้งนักที่เราก็จับจะว่าทำไปอย่างนั้นเมื่อรีบทำจะทำให้มันเจ็บๆไปอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นก็ไม่สำคัญนะห้าิดว่าปัจจุบันตอนนี้เราได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน่ลยเลาก็ตั้งใจที่จะประพฤตปฏิบัตินำคำสั่งสาขององค์เสด็จพระพิชิตจรามบรมจาุตตราม า, ม า, า, ามใหเคลื่นพิจารณาที่เราจะแนะนำเธอในเรื่องคำว่าจบจิตคําว่าจบจิตเนี่ยเธอฟังให้ดีนะฟังไป ได้ถึงพระพุทธเจ้ า, จาแล้วก็ฟังเอาไปในความหมายของคําว่าจบจิตโดยทั่วๆไปก็ไม่ใช้กับพระอรหันต์คือผู้ที่ห่างไกลาจากกิเลสแล้วจบจิตแล้วและคําว่าจบจิตในความหมายที่จะอธิบายกันพอจะเข้าใจกันท่านว่าจะใช้คําว่าไม่มีจิตต้องทําอะไรอีกแล้ว แต่คาว่าไม่มีเกตต้องทำอะไรเนี่ยมันยากที่เธอฟังและจะรู้เรื่อง จ, จะอธิบายให้เธอได้ฟังตั้งแต่ยากกลางถึงละเอียดในเรื่องของขาวันจบปิดไอ้สิ่งที่เราได้กรทำเสร็จสิ้นแล้วจบภาละเราแล้วอารมณ์ที่มันตามมาภายหลังก็เสีย อารมณ์จะไม่มีอะไรขาดใจไม่มีอารมณ์หนักไม่มีอารมณ์กังวลไม่มีอารมณ์คิดถึงอีกไม่มีอารมณ์ห่วงหาอาวอร์อีกคำว่าอะไรอาวอร์กติ่งนั้นนะไม่มีอีก้ จ, จะสังเกตไดจากไหนอย่างเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยสำหรับตัวที่เคยที่ผ่านมาในชีวิตยีงมีมากมายหลายเรื่องที่จะว่าจบจิตก็ได้ จะเป็นการจบในเรื่องจิตที่เธอตั้งใจกระทาจิตที่เธอตั้งควาปรารถนาอยากจะมีอยากจะได้ถ้าผูกถึงในทางลบโลกโลก็เหมเราพยายามทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจลงไปใหาอยู่ในแวารียนั้งสีสิ่งที่เราต้องการเสร็จจบเรียนจบเรียนให้มันจบชั้ง จบชั้นนี้ก็ต้องเรียนเราเริ่มตัวสบายใจแต่เราก็ฝากสบายใจมันก็อยู่ได้ไม่นานให้เราต้องเรียนต่ออีกชั้นนึ่งจบชั้นที่สองก็เริ่มสบายใจแต่เราก็ต้องเรียนชั้นที่สามชั้นที่สี่เรียนไปเรื่อยเรียนจนจบมัธยมเรียนจนจบมหาวิทยาลัยและก็เรียนต่ออีกเริญยาโทเริญยาเอกเป็นด็อกเตอร์ก็ยังไม่จบ ก็ออยังต้การเรียนรู้ไปอีกแต่ในความรู้สึกของเธอเมื่อใดก็ตามที่เกิดทํามันจบตรงน้นเวลานั้นตามรู้สึกเธสบายเออเราจบแล้วจบแล้วหนึ่งชั้นจบแล้วมัธยมเสร็จจบก็ทีสบายใจเอาจบมหาวิทยาลัยจบแล้วเราเริญยาตรีแล้วจบแล้วจบก็ทีพยายามทําพยายามเรียนพยายามที่จะทํำตู้ย่างให้มันจบด้วยความยากลําบาก ในกังวลเป็นภาระเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะทำหรือบางคงกอยากที่จะเรียนหนังสือแต่มันก็จบละสิเมื่อใดที่เรแต่รับรินยาก็รู้สึกว่าเราสบายใจเหมือนเป็นชัยชนะอารมณที่ไม่ เ, เ, เกิดช่วงเวลานั้นแหละถ้าใครเคยผ่านอารมณ์นี้มาก่อน หรืว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้เสร็จสินไปแล้วอารมณ์ใจมันจะโปรงสบายมีความสุขมากเป็นกรณีที่เศษแต่มันจะเกิดขึ้นช่วงขณะเวลาหนึ่งก็ช่างเสร็จแต่เธอ จ, จะเห็นอารมณ์จบมันเป็นยังไงหมดความกังวลไหมหมดเรื่องที่ต้องทํำไหมหมดเรื่องที่ต้องคิดไหมหมด จภาระที่จะต้องไปเอาใจใจดูแลหมดไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วไม่ต้องไปเตรียมตัวสอบแล้วไม่ต้องแอบนันเอนี่แล้วสบายใจจบเจ้าทีโลกเหมือนยกภูเขาออกจากอกอันนั้นทีเดียวอารมณ์ที่มันจบจิจมันจะมีอารมณ์ที่มันสงบสบายเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นสุดไปแล้วเราไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปแล้วข้อนี้ขันใด กินที่เตะกำลังข้าวเตียนปฏิบัติเตียนอยู่นี่ที่ฉันพูดมาจอนต้นก่อนหน้าเจริญพระกรรมฐ า, านที่คือการให้ทานพระพุทธเจ้าทานอย่างเดียวนี่แหละทาไม่เจริญจิตญาณศาส น, นาได้จะทานอย่างเดียวที่เชอทํามันเต็มหัวจิตปัวใจของเธอเขาทาไม่เจริญตื่นทุกข์ตื่นเสื้อได้เหมือนกันเขาทำกันอย่างอะไร ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรน่าคิดไหมทำไมการให้ทานอย่างเดียวจึงสามารถเป็นพระอรหันต์ได้จบสิดในพระศาสนาได้มันจะน่าคิดถูกไหมนี่นจะต่จะมีเีลรักษาศินตามสิกขาบทที่เธอมีอยู่นั่นจะเป็นการอยู่ร่วมกันในความในสังคมมนุษย์ก็ต้องมีศีลมันทำให้เราไม่เดือดร้อนะ ในการที่เราตั้งใจที่จะให้กระทํำสิ่งใดสิ่งหนึงสิงแรกที่เธอต้องคิดเสมอเธอจะให้จะทํำไมให้เพื่ออะไรให้เพื่อตรงกางอะไรไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของเธอหรอกสิ่งที่เธอตั้งใจให้มันาจะมีเงื่อนไขว่าให้เพราะว่าสงสารให้เพราะความเมตตาให้เพราะความระลึกถึงคุณของเขาตามประการอยู่กับตะเวทีให้เพราะรักษากําลังใจเขา ให้เขาต้องการจะได้มีบุญมีกุศลให้เธอจะได้ภาชนาซึ่งสิ้นทุกความดับเพลีย์คือไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอิจการให้ของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยทุกอย่างมันจะมีจุดหมายปลายทางของเธอเสมอและนรียกว่าอะไรเรกอธิษฐานบารมีวะลาเป็นผู้ตั้งใจที่จะกระทําสิ่งนี้เพื่อ เพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างโน้นเป็นต้นแล้วคำว่าปัจจักมาเกิดตรงไหนปัจจักบาลีทีคือไม่เกลี่ยในใจไม่ว่าคิดตั้งแต่แรกห้ามตามจน ถ, ถึงที่สุดก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจจะเจออุปสรรคเพียงใดก็ไม่ล้มเลิกปรุกามันเทเรียนหนังสือนั่นแหละไม่ว่าจะยากมันบากเพียงไหนใช้เวลาอีกสี่ปีแถมก็ต้องให้จบให้ได้เราเรียกว่ามี็ปัจจาก และเราต้องการจบ เ, เพื่ออะไรจบเพื่อจะได้ไปทำงานจบเพื่อจะได้อวิชาความรู้ของเราหาตับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่อย่างสบายในสิ่ง อ, อธิษฐานบารมีเราเข้าใจไหมนั่นคำว่าจัดจักรอธิษฐานจัดจาริษฐานมาเป็นสองสิ่งอย่างทั้งทั้งสองอย่างในบารมีในจิตบารมีสิทธ์สองตัวเนี้ยมีความสําคัญที่จะทําให้สิ่งที่เจอปัจจันนะ ถ้าตั้งใจกระทําเนี่ยมันดำเนินได้สำเ น, น็กผลอากเธอไม่มีจุดหมายตายทางในเบื้องหน้าเธอก็ไม่ไม่ยินดีที่จะให้ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติแล้วถ้าเธอไม่มีปัจจัยความจริงใจในการที่เศอจะกระทำมันต่อไปเธอก็ล้มเหลวข่ามกลางได้เบื้องต้นบางทีทําไม่แต่เท่าไรเธอจะเลิกล้มตามตั้งใจข้ามกลางบัญทีก็มีอะไรมาแปรปรวนก็หน่อยก็ล้มเลิกความตั้งใจ เรื่องตาเขาจะได้อยู่แล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจในั่นก็เพราเราไม่มีตัดจักความเป็นใจกับตัวเองสุขต้องไหมอาการอย่างนี้มันเกิดกับเธอทุกเรื่องถ้าเธอรู้จักสังเกตตัวของเธอมันมีทุกเรื่องไม่ว่าเธอจะตั้งใจให้อะไรกับใครกระทาอะไรเพื่อใครแม้กระทั่งทำอะไรเพื่อตัวเองมันก็จะมีไอ้สองอารมณ์ตัวเนี้เป็นที่ตั้ ง, สงเสมอ ผลการําเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ว่าบารมีหรือกําลังใจของเธอเต็มไหมถ้าเธอกําลังใจของเธอเต็มเธอจะเดีนให้จบล่ะไม่ว่าจะยากลาบากเพียงใดฉันก็จะเดีนให้มันจบเพราะเป็นฉันตั้งใจไว้นี่มันมีแต่ว่าสิ่งที่ฉันตั้งใจไว้ว่าถ้าฉันจบเมื่อไหรฉันจะไปทางานที่นั่นฉันจะไปต่อที่นู่นฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้มันมีสิ่งนี้เป็นตัวดึงใจเรา ถ้าอยากที่จะทำกิเลสขันธ์จะมีความพอใจในการปฏิบัติทำในตัวนี้เป็นตัวเดินแต่ถ้าเราไม่มีความจริงใจตั้งใจที่จะเป็นสักจกกิกดิ์ับตัวเองนะเราจะอุปกาศขัดขวางเธลอเลิกง่ายเวลาตั้งใจจะให้ของใครคนใดคนหนึ่งตั้งค่าในดีมากตั้งใจ่แน่วแน่เห็นประโยชน์ ว่าจะต้องเกิดขึ้กับเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโู้นอยู่แต่เวลาเราตั้งใจที่จะให้เขาเขาจะไปถึงไหนไม่ถึงไหนแล้วมีอะไรแปลกรวมเปลี่ยนไปสักหน่อยเราตัดเปลี่ยนความตั้งใจของเรานี่เขาเรียกว่าเปี่ยนจัตเจแต่งว่าจัจเจบารมีของเราอ่อนไหมอ่อนไม่เสร็จว่ามันไม่เต็มใจอุปสรรคหมายสิ่งนั้นที่เราตั้งใจที่จะไปให้เขามันก็ไม่ถึงมือเขา จะเป็นเครื่องวัดบารมีนั้นตัวราชจิปัญญาบารมีที่คิดว่าการทำเพื่ออะไรเนี่ยมันสำคัญนะจะเป็นเครื่องวัดใจของเธอทุกครั้งในการกระทำในการให้ทานเสมอเพราะนั่นจะทำให้เธอให้ได้จนใจไหมจนที่ไหมอะไราอาวรนไหมเสียดายไหมกลั อ, อุปสรรคไหมมันจะบอกเธอได้เลยถ้าตัวตั้งใจของเธอที่เรียกว่าอาธิษฐานบารมีของเธอไม่เต็ม ทำยังไงอธิษฐานบา ร, รมีถึงจะเป็นเราก็ต้องสงบเป็นสมาธินอกจากสิ่งก็เราจะบริสุทธิ์ณักเวลานั้นเวลาที่จิตเราสงบทําไมท่านพูดว่ามีสิ่งบริสุทธิ์ณขณะที่จิตต้องการให้จิตสงบบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะในเวลานั้นจิตของเธอไม่มีสิ่งบริสุทธิ์การที่คิดในเรื่องของวิบวรณมาขวนใจของเจริมันง่ายเพราะขาดไร้ซึ่งความเมตตา จิตเธวกระพงเจ้าขาดและเสึ่งมกลางกรุณาจิตของเธอรกระพงเจ้านี่ง่ายง่ายถ้าคนมีศีิในใจนะเวลานะเธอตั้งเจตนาวักนักเวลานี้เราจะรักษาศิลให้บริสุทธิ์เราจะไม่เบียดเบียนใครและจะไม่กดทุกขพยาบาทอาฆาตใครแล้วไม่อยากได้ของไครแล้วไม่อยากทําร้ายใครแล้วไม่อยากจะเป็นคนโหดร้ายหีือไวใจเร็วพูดกหมดติอย่างนี้เป็นต้น เวลานั้นของเอริจิตจะสงบได้ง่ายไหมมันต้องง่ายเพราะมันไม่มีอารมณต์ตึงเรื่องอื่นเข้ามาปะปนความเมตตามันเป็นสิ่งที่เยือกเย็นเพราะคนมีสิ่นจะต้องเป็น ไ, ได้ความเมตตาเป็นไปด้วความกรุณาอยู่แล้วสองตัวนี้มันขาดจา ก, กใจของคนมีสินไม่ได้มันถ้าทา้ความสงบจิตมันดิ่งลงไปได้ง่ายพอต่อมาที่มันเกิดปัญญามันก็เกิด ปัญาราะคิดเรื่องไหนเราก็ไม่เชื่อเรื่องิีลาตั้งใจจะให้พอท่า ต, ตั้งใจจะให้สิ่งนี้ตั้งใจจะให้สิ่งนู้นตั้งใจจะเอาสิ่งนี้ไปทำให้ใหเกิดประโยชน์ไอ้นั่นไอ้นี่เพราะอะไรเราต้องหาเหตุหาผลให้กับตัวเองให้จงได้ถ้าเหตุผลมันไม่เพียงพอฟังไม่ขึ้นเราก็จะรู้ใจเราเองว่ามันไม่เป็นไม่เป็ น, น่วยที่อยากจะทำต่อไป ถ้าเหตุผนั้นมาเกิดขึ้นในใจของเธอเต็มที่แล้วไม่มีกลัวแล้วไม่มีอะไรอาวรณ์ไม่เสียดายเห็นประโยชน์ใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเชืรักก็ดีเห็นประโยชน์ใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับตั ว, อะะวของเราเองก็ดีแต่จะไม่รู้สึกว่าติดทัพย์สมบัตและสิ่งของทั้งหลายที่เธอตั้งใจจะให้เขามันจะชุบกระทาใจเราให้เกิดความแปลกตัวงเปลี่ยนไปเช่น เสียดายถ้าไม่เสียดายไม่ตจออุปสรรคทางกายวาจาหรือความการกระทําของใครมันก็จะไม่ล้มเลิกมันก็จะมุ่ง ม, มั่นกระทำสิ่งนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเถิดเราต้องทำสิ่งที่เราตั้งใจให้สาเร็จผลให้จงได้เพราะาเราคิดแล้วเราพิจนารณายเห็นประโยชน์ของแท้ดีแล้วเราเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลแล้วเราจึงลงมือกระทำสําคัญ น, นะ การที่เราจะมีปัญญาคิดเรื่อง่างนี้ได้จําไว้นะเธอทุกคนไม่ใช่อยู่ๆมันคิดไมขึ้นมาได้ ง, ง่ายคิดมันจะละเอียดลงไปก็แต่เมื่อเราเป็นผู้ที่มีความละเอียดอย่างน้อยสิ่งของเราก็ต้องบริสุทธิ์ถ้ามันไม่สามารถตรงตามบริสุทธิ์ได้ทั้งวันณเวลาที่เราต้องการจะคิดต้องการจะพิจารณาเราก็ต้องตั้งใจอธิษฐานตั้งใจจะคิดจนเองณเวลานั้นว่าฉันจะรักษาสิ่งของเราให้บริสุทธิ์ ถ้าเรามีความปีปัญญามากขึ้นก็คิดต่อไปว่าเราจะตั่งอยู่ตรงนี้เราจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันก็ยังไม่แน่นอนนะคนที่รับจะอยู่ให้เราได้ให้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่นอนนะแสดงว่าเราเริ่มที่จะเข้าใจความจริงก็คือความตายเพอมีความตายเข้ามาจำกัดใจเราก็ทําให้จิตของเราได้คิดคิ ด, คดนานได้อย่างดีมากกว่าเดิมเพราะมันจะสงบนานขิ้นสมาธิดีขึ้น เราจะฝืนจะทําให้สมาธิดีแล้วปัญญาบารมีในเรื่องของการเข้าใจขันห้าว่าร่างกายยังไงเราก็ต้องตายร่างกายเขาก็ต้องตายมันทําให้จิตกลเริา ร, ราบเรียบสงบได้ไวขึ้นตอนนั้นเจอจเจริญสมาธิไม่ว่าจะใช้การรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีมีคำวนาควบคู่ไป้ดยจับดุ๊กแห่งนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือปล่อยวางให้ว่างเปล่าก็ได้คือ จิตม like ันจะสงบเป็นสมาธิได้ดีมากแล้วมาใจของเธอมันคลายจากการทรงสมาธิสิงเธอตั้งใจตั้งจิตว่าจะคิดเรื่องนี้มันก็ปุบขึ้นมาทันทีเออเราตั้งใจว่าจะให้เขาเราจะเอาของนี้ไปให้เราตั้งใจสิ่งนี้จะทําบุญเราจะให้ทานเราตั้งใจอย่างนั้นเราตั้งใจอย่างนี้มันก็จะปุบขึ้นมาเวลาที่มันปุบขึ้นมาปั๊บเราก็จะค่้ยคิดพิจารณาว่าเออเราให้เพื่ออะไร ทนี้จะเป็นอะไรกักเขาเราจะได้ทัพย์ไหมเราจะได้สิ่งของไหมเราจะได้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าแลาะปรารนาอะไรกันแน่ปัญญาตัวนี้มันจะชี้ทัดถ้าเคยคิดได้น้อยมีปัญญาเล็กน้อยเจอเวลาให้อะไรออกไปผลของใจของเธอมันก็จะน้อยตามแต่ถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นจริงได้อย่างถ่องแท้นะเวลานั้นเห็นประโยชน์สูงสุด แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์จากสิ่งที่เคยได้ให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่กลัวว่าอะไรจะเป็นผลเสียตามมาไม่กลัวว่าสิ่งนั้นจะได้ทําหรือไม่เราจะมีชีวิตได้ทำหรือเปล่าของนั้นจะได้สวายหรือเปล่าของนั้นเราจะถึงมือคนรับหรือไม่เราต้องไม่รู้สึกอะไรเพราะเราได้จงใจใตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนแล้วว่าความจริงมันเป็นเช่นนั้นเองถึงเราจะตั้งใจให้เราก็ตรงหัวใจเราแล้ว แต่เราจะาาต้องยอมรับความจริงว่าตัวเราเองจะมีชีวิตอยู่ถึงวันทุกนี้ไหมเดี๋ยวนี้จะตายมันเป็นความจริงไม่เกีย่ยหรืออย่นี้เป็นต้นพอเข้าใจวิธีปฏิบัติไหมทาไมวานบารมีอย่างเดียวจริงเป็นเป็นพระอรหันได้เห็นไหมเป็เพราะอะไรหนึ่งถึงเมยสุดไหมต้องบอริสุทธิ์สองสมาธิต้องเ ม, มย์ไหมมี ปัญญาต้องใช้ไหมต้องใช้ครบไหมสิ้นสมาธิปัญญาครบเพื่ครบเพื่อนกับการให้ทานนะโดยเฉพาะการให้ทานเป็นของง่ายง่ายมันง่ายจริงแต่กาลังใจของเธอสิมันไม่เสร็จแต่ถ้าเธอรู้จักการที่จะคิดพิจารณาก่อนที่จะให้มันทำให้เธอนั้นทานของเธอเน่ะที่ทําทุกวันทุกวันทุกวันวันยหลายหลายเรื่องหลหลายอย่าง มันจะร่อนเวลาในการปฏิบัติของเธอทาให้ถึงมติถึงผลได้เร็วจบจิตในเมตตาได้เร็วพอเข้าใจไหมด้งน้การที่เราตั้งใจให้จิตใดจิงหนึ่งจะจำไว้นะให้ใจสงบนิ่งซะก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจปัจจุบันทันด่นถ้าจิตมันตกมาดีแล้วอันนั้นมันจะเรเองัิดเองเออเองัิใจได้ทันที ถ้าขออะไรที่มันเป็นของที่เราไม่เกียจายอันนี้ง่ายแต่ขอที่มันเป็นของละเอียดตาให้สำหรับเราเป็นของที่เราหวงแหนอันนี้มันจะยากมันจะสลาดทันจีทันจันรถกรยากมันอย่างที่ฉันพูดมันจะคูดตอนต้นเลยฉันว่าใครมีมั้งล่ะถ้าคนบรรจดมาเป็นปกติแล้วเห็นประโยชน์สูงสุดไปแล้วณปัจจุบันที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้จะเกิดผล กะละทันทีแม่อรอช้าแต่ที่เรายังไม่กล้ากะละมาลงไปเพราะเรายังตัดสินใจยังไม่ครบเจ็บของการที่จะให้มันยังไม่จบเห็นไหมมันยังมีเรื่องคาในใจเราเราต้องกลับไปจิดก่อนเรายังกลัวสิ่งนั้นกลัวชีวิตจะเป็นอย่างนี้กลัวสิ่งนี้มันจะอะไรก็ตามเถิดจุดแล้วที่จะจิบมันไดาตามคิดของเรามันตะ่นตัตในใจเราเขาเรียกว่าฟงซ่า ความ้องกันมันทำให้ปัญญาเราเกิดไม่ได้เธอก็ไม่สามารถจะตัดสินใจลังเลในผลที่สิ่เธอต้องการจะทำนั่นเป็นของเกิดขึ้นแน่นอนทำให้ช้าลง ไ, ไปอีกช้าลงไปอีกมักผคงจะช้าไปใ้าาการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ตั้งค่าตั้งทางอะไรนะแต่เธอต้องรู้จักคิดว่าสิ่งที่องค์พระพุทํามาจากไม่ตรสอน็นเรื่องของบารมีสิมีทางบารมีเป็นต้นมีความสําคัญเพราะเป็นสิ่งที่เธอทําง่ายเห็นอยู่เป็นปกติเรียกว่าทำไปจิตจะวัประจําวันก็ได้แต่สิ่งที่เธอจะให้ออกไปเนี่ยถ้าเป็นของหยาเป็นของที่เธอมีอยู่แล้วมากเป็นของที่เธอไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนี้เธอให้ง่ายอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรอย่างนี้เรีากวาคาจานทร์สวรรค์ ถ้าขออะไรที่เจอรู้สึกหัวหวงแหนี่เจอกําลังต้องล้งางไปตรวจร่างกายของมันเจอแล้วหนึ่งกลัวร่างกายจะติดติดยาๆหนึ่งสองกลัวร่างกายจะขาดปกป้องเหมือนาตากระยายถ้าไม่กลัวความเป็นไปของใครไม่กลัวว่าร่างกายตัวเองจะต้องไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่กลัวว่าชีวิตจะต้องเป็นอะไรไม่ห่วงใ ย, ยว่าอีกคนจะเป็นยังไงท่านก็กล้กาจะหลักได้ แต่ตอนแรกมาฟังแล้วไม่กล้าสละเพราะอารมณ์ตึงต้าน อ, อย่างนี้มันมีอยู่มันจะตามลังเลสงสยัยลังเลในใจตัวเองรู้ว่าดีก็อยากจะให้แต่จิตมันยังไม่สา ม, มารถจะจบผิตของใจมันเองมันยังมีตามผวางผวางในตามคิดอยู่ในเร็วยังไม่จบจิดแต่ว่าท้าตั้งใจแน่วแน่แล้ ว, ลวตั้งใจสละแล้วคิดจัดเตรียมระลบเลีบร้อยหมดแล้ว ถวายละท่านจบกิจแล้วของนั้นจะเป็นงพระผู้เ r ้าเ จ, จ้าหรือไม่ก็ตามถึงตายระหว่างทางท่านกะจบกิจในการให้ทานแ้จิตใจของท่านเปงในการให้ทานณเวลานั้นแะ้แาให้ทานของท่านจะปาณาอะไร่นอยู่เรหนึ่งถ้าปาณาาสิ่งทุกข์ดับสิ่งเสียก็ถือว่าเป็นบารมีบา ร, รมีแต่ถ้ายังหลงตา ม, มา ว, จวาจรองสวรรค์ก็ยังถือเป็นบา ร, รมีต้นๆ และต้องเวียนไหวใจเกิดต่อไปเพราะอะไรเพราะยังยินดีที่จะให้อีกยินดีว่าการทําบุญเป็นของดีฉันต้องเกิดมาทำํำอีกอย่างนี้เป็นต้นดันเจอทุกคนจงจําไว้นะจบกิจเป็นของง่ายไม่ยากเห็นไหมเพียงแค่เรารู้จักที่จะใช้ใจของเราทุกครั้งเวลาเราจะหยุดยืนหรือการทาอะไรที่เป็นบุญก็ดีต้องการจะหยุดยุ่เสี่งใดให้กับบุคคลใดก็ตามลองนิ่งนิ่งและก็ตั้งใจว่า ภาิ่งทีเราบริสุทธิ์ดีแล้วที่เวลานี้สิ่งที่เราบริสุทดีแล้วหนอใจเราไม่ได้ห่วงอะไรอวังจนชีวิตของเราจะเป็นอะไรจะตายหรือจะอยู่ยังไงเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกิดก็ต้องตายวันอย่างั้ำตายส้านายเช้าบ่ายเย็งก็ช่างมันเท้าสายบายเย็นจะตายเวลาไหนหรือจะตายเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันสิ่งที่เราจะให้มันจะพังแต่ต่อหน้าต่อตาเราก็ช่างมันผู้รับจะได้รับหรือไม่ได้รับถ้าจะตายก่อนเราก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดา ว่าตัดตินใจเดินแล้วก็เดินออกไปให้และตั้งใจจะให้ถ้าเหลวงตาที่เล่าให้ฟังคุณตาท่านตายระหว่างทางบุญเต็มไหมบุญก็ยังเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ของนั่นจะถึงพระพุทธเจ้าหรือไม่กมักการบุญก็เต็มแล้วพราใจของท่านมันจิตแล้วมันไม่มีความพุ่ง้านแล้วจบจิตในคามกังวลใจที่จะหยุดยืนสิ่งนี้ถวายต่อพระพุทธเจ้าแล้วนั่นคําว่าคําว่าจบจิตเนี่ยยากไหม ไม่ยากมันเป็นสิ่งที่ถึงกันง่ายทำง่ายมัลุทำง่า ย, ายถ้าเจอขลาดนะเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทรสอนแล้วก็ปฏิบัติตรงๆขยันที่จะนึกขยันที่จะคิดสุดใจตรองด้วยอิทธิบาทสี่ของเธอมีไว้เวาลาจะทำอะไรสักอย่างในการให้ทาน เราจะต้องคิดอย่างนี้เสมอว่าจิตเราบริสุทธิ์ไหมทบทวนดูสมาธิเราสงบหรือยังถ้าสงบไปแล้วคิดว er. ่าเราให้เพื่ออะไรให้ทําไมจะได้ของไหมคิดไม่หมดคิดให้มันจบแล้วไม่ต้องคิดอีกแล้วถ้าจะคิดจบแล้วไม่ต้องคิดต่อไปแล้วไม่ว่าใครเขาจะทักเธอยังไงข้ามเธอยังไงพรามเธอยังไงเธอก็ไม่คิดไปต่ออีกแล้ว ถือว่าความคิดของเธะรวบรวมบริบูรณแล้วเชื่อแล้วในสิ่งที่เธอตัดสินใจว่าดีดีแล้วถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทำการเด็ดเดี่ยวใครแล้วซักนี่เป็นสิ่งที่บริสุทิหาด้วยรัฐธรรมน่นงของเราเองแตเพียงผู่เดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือได้ไมาจากแสดหาจะตามเห็นเราก็ได้ไมไดตามชอบทำถูกไหมสิ่งนั้นเราไม่ได้ขโมยใครเข้ามาเห็นเราบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์สิ่งนี้นเราจะให้แก่ใครเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้ได้ถูกไหมได้ ว่าเราคิดจบแล้วใครจะมาทักท้วงใครจะมายื้อยักพูดอย่างนั saw, ้นแนะอย่างนี้ให้เหตุผลอย่างนู้ก็ไม่สามารถจะทำให้ใจของเราไหเสยไปทางอื่นได้นั่นถืว่าเราจบจิตไหมจบแล้วนะจิตแน่วแน่บารมีเต็มไหมเต็มตอนนั้นกําลังใจของเราเต็มปัญญาเต็มฌานเต็มศีเต็มสมาธิเต็มเต็มตรงไหนเต็มตรงด้วยใช้ปัญญาเต็มแล้ว ทุกอย่างสมบูรข้างพ้ามไหมจ้างจ้อมแล้วทีนี้เธอหยุดยื่นให้ตักออกไปครั้งแรกมันมีค่ามากพอครั้งที่สองที่สามไม่มีตามใหม่แล้วเหมือนจะให้ขอที่ยากที่สุดในชีวิตที่เธอจะให้ออกไปจะทําได้สักครั้งหนึ่งครั้งต่อไปนี่ไม่หยุดตื่นให้อีกแล้วไม่รู้สึกต้องคิดตั้งจั๊กเพราะการคิดก็ลายตกไปแล้ว เขาเรียกว่าเจ็ดสิตถาวรไม่ใช่ชัขข่วค่าวพราจะสลุดทางเดินในการปฏิบัติได้ไหมไฉันพูดให้นนง่ายๆนะจะได้เข้าใจว่ามันเป็นของไม่ยากในการปฏิบัติความสงบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแตศิละบริสุทธ แล้วก็ทําสพาะตอนที่เราตั้งใจจะคิดตั้งใจจะสงบถึงเวลาอื่นอะไรจจะปกปกท่องคลองบ้างไม่เป็นไรเราพยายามเรามระวังเข้าทําเข้าเดี๋ยวมันก็ดีไปเองรักษาจิตห้ารักษาธรรมาบทสิบแล้วก็ถ้ารักษาจิตแปดมุระจันก็ทําได้แล้วเวลาตอนนั้นหลังจากนั้นเราจะวางไวยจ 8, ากจิตแปดก็เป็นจิตห้าก็ได้ไม่เป็นไงแต่ตอนแสดงพระกรรมฐานราักษาจิตท ม, ม, าามบะจัน ยาที่เราต้องการไปคิดพิจารณาอะไรเราก็รักษาผมอาจารย์เราไปมันจะทำให้สมาธิของเรานั้นละเอียดปราณีจริงขึ้นเพราะการรักษาผมอาจารย์หมายถณเวลานั้นจิตมันจะไม่คิดถึงคู่ครองคู่ตัวผัวเมียมันจะไม่กังวลเรื่องตามรบไม่กังวลรูปเสียงสีเล็กสมัมผัสไม่กังวลเรื่องใจที่จะไปผูกพยาบานอาฆาตโกรธใครอารมณ์อตอนนั้นมันจะอะไรที่สงบได้ง่ายนิวรมันก็จะไม่กวนใจเรา ปัญญาเกิดง่ายไหมสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดตามพอจะตั้งประเด็นที่จะตั้งใจงจะให้อะไรตะไข่มันก็จะปลุกขึ้นมาให้เกิดได้คิดคิดนันนาแล้วพยายามพูดซ้ำสองครั้งสามครั้งก็เพื่อจะย้ำใจของมันจนให้จำได้จำได้ไหมพอเข้าใจไหมเอาไปปฏิบัติ พยายามปฏิบัติเรื่องนี้ให้มากมากเข้าแล้วเราจะ เ, เห็นคนว่าเราได้ดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะอะไรปัญญาเราดีขึ้นความสงบง่ายขึ้นความจ็บยังเะริญอะไรไม่ค่อยมาจับใจเราขอจะสูญเสียหายก็ไม่รู้สึกเ จ, จริญติดแสดงว่าเราเห็นสิ่งนี้ยมันไม่มีความหมายแล้วสิ่งที่เราไม่ความหมายที่สุดจะการได้กลับมาเกิด ถ้าเธอมีจิตมั่นคงดํารงใจของเธอปาันาพร ะ, ะนธิธานชาตินี้เป็นที่ไปอย่างจริงใจแล้วก็ความเคารพจรในพระพุทธเจ้าธรรมพระอริยสงฆ์เธอต้องแน่วแน่อะไรที่มันเนื่องกับพระเนื่องกับพระปรันาใจเราก็จะต้มเพทสิ่งนั้นอย่างไม่มีความอะไรอาวรณ์เจียดายเลยไหมในที่ักได้สังเกตคนที่จะมีคามรักในพระพุทธเจ้าธรรมพระอริยสงฆ์ ง่ายมากในการฉลาดครับง่ายมากในการที่ดยดืย่สิ่งต่างๆให้อย่างน้อยคนที่เป็นพระโตดาบัเขาก็ะจะจ่าเป็นทรงมัญญะให้กับพระทั้งหลายว่าอย่าขอเพราะพวเป็นพระโตดาบัเป็นเพื่อยินดีในการให้ในเขาตภาษาศาสนาอย่างมากอย่าได้เอะตาอะไรกับท่านผู้นี้เลยยับรอบว่าให้ทุกอย่าง เพราะมุขพรโตดาบันนั้นให้ความสําคัญต่อพระราชกรณ์อย่างยิ่งนั้นถ้าอะไรเกี่ยวกับพระราชกรณ์ใดยินดีเสมอที่จะให้ให้เท่าไรก็ให้เป็นยังไงก็ให้อาอรมณโตดาบันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในยากโตถ้าเป็นพระอริยที่สูงขึ้นไปท่านก็จะมองเกรละเอียดมากกว่า น, นี้ การให้ดี่คือที่ของที่ไม่ไม่รู้สึกว่ามีค่าแต่พระโสดาบันยังเห็นว่ามีค่าอยู่ถ้าอริยเด่นสูงก็จะเห็นจริงนั้นแหะไรค่าแล้วเดี๋ยวมื่อกระทั่งร่างกายก็จะไม่เห็นว่ามีความหมายแล้วนั้นการที่จะให้อะไรทําอะไรของท่านจริงตรงเป็นทางเดียวเพาอะไรอธิษฐานจิตคาว่าอธิษฐานจิตตั้งมั่นสิ่งที่ท่านจะทําลงไป จัดจ่าคือความจริงใจของท่านทําและทําจริงลงไปอย่างไม่มีคําว่ากลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ต้องกลัวใครจะติดจิ้นนินทาด่าว่าก็าเรียกว่าแก้วกล้าในท่ามกลางหูชนภาษาบา ล, ลีเขาเรียกิสสาราโทผู้แก้วกล้าในท่ามกลางหูชนกั้นไหล ัทานบา ร, รมีตัวเดียวหรือว่าการให้ทานอย่างเดียวถึงคําว่าพระอาหารหันได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากแต่สิ่งที่เคยขาดติขาดการปฏิบัติขาดการที่จะเอามาคิดปฏิบัติให้ตรงทางตามทางที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนมานทำให้เรานั้นช้าบกวนไปวนมาบา ร, รมีคือกาลังใจมันก็เตมช้าเป็นช้า ดังนะั้นจะให้ทานบ่อยครั้งมากทำบุญบ่อยมากอะไรมากกต็ตามแต่ปัญญาของเธอในความคิดมันไม่กระเต้นขึ้นเลยไม่ได้พัฒนาปัญญาไม่ได้พัฒนาอธิษฐานบารมีของเธอให้เข้มข้นไม่ได้พัฒนาจัดจักะคือความจริงใจของเธอให้เข้มข้นไม่ได้พัฒน า, าความอดทนในสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้เข้มข้นไม่ได้ญญาาพัฒนาความขยันขันย่างที่เธอตั้งใจจะกระทำสิ่งนี้สิดเนื่อง ต่อเนี่อให้จบต้นให้ได้อย่างเข้มข้นเห็นไหมจะขาดไหมมันขาดแล้วกระทั่งจะเจอเรื่องอะไรจะก็วางเสรมันไม่ได้อุบเบคขาเขาจก็ออกไม่เข้มข้นเาเรามีทั้งติดมันเป็นของง่ายไม่ต้องนั่งค่องหรอกขอแต่ตั้งใจให้ตามอย่างเดียวตามเนี้ยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําำครับปฏิบัติอย่างเนี้ยเวลาเรามีติดก็จะเต็มเร็ว เป็นทุกข้อเมื่อบารมีจบเต็มก็มันจะพูกระดัจบกิจเนื้อศาสนาไหมจบแน่นอนสึ้นแล้วจึงความปรารถนานใดๆในโลกมนุษย์เกลวโลกและผพมรรคอยู่ชีวิตอยู่เพื่ออะไรสำหรับคาราวาสไม่มีใครอยากอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมแค่ใจมันไม่มีเรื่องคาใจแล้วสิ่งที่กระทําก็ทํำสิ้นแล้วสิ่งที่อยากจะให้ก็ให้หมดแล้วจะให้พ่อแม่ตัวเองหมดแล้วได้กระทําต่อผู้มีคุณเรียบร้อยแล้ว แต่การทำสิ่งนั้นจบสิ้นแล้วไม่มีอะไรคาใจอีกแล้วสิ่งที่ ม, มีอะไรคาใจเธอจะอยู่ไปทําอะไรอ่ะในใจของเธออยู่ไปวันๆกับสิ่งที่กระทาก็เสียงทํานั้นแหละงนั้นผู้ที่ปฏิบัติ ถ, ถึงตรงนี้ได้จะมีชีวิตอยู่ไม่เกินเจ็ดวันถ้าเส้นคนณนะวันนั้นก็ตายวันนั้นไปได้ผ่านวันนั้น เข้าใจพอผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกในตัวของท่านเองว่าท่านไม่มีอะไรคาใจแล้วสิ่งที่ได้ทําก็ทําสิ้นแล้วสิ่งที่เคยคิดอยากจะทําก็ทําจบหมดแล้วงั้นทรายกำลังได้ให้ท่านสิ่งที่ยังหวงแผนอยู่ทราก็ยังคาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าทราไม่ได้เสียดายมันอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือได้ใช้ต่อไปก็ตั้งมันนั่นแอนว่าเราไม่มีเรื่องคาใจในวัด ถูกธาตุนั้นแล้วธาตุสมบัตินั้นสิ้นแล้วเรามองกับคนที่เป็นบิดามารดาลูกสามีภรรยาของเราที่น้องเราเราก็มองไปตามความเป็นจริงว่าทุกคนเป็นยังไงเราเป็นยังไงเราก็ได้ทําให้กับเขาเหล่านี้หมดสิ้นแล้วความประการยูของเร า, นาเนี่ยใช้เต็มที่แล้วจติปัญญาในการให้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็ได้ให้แล้วไม่มีอะไรขาดใจเรอีกต่ อ, อไปแล้วเหมือนกับว่าภาระทั้งหลาย ที่เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราได้ทําเต็มหัวใจของเราหมดขึ้นแล้วไม่มีเรื่องอะไรต้องมากังวลใจอีกต่อไปในก็ว่าจบจิตไหมใจจบจิตแล้วจิตที่ต้องกระทาต่อไปไม่มีอีกแล้วพอแล้วพอใจมันพอแล้วอย่างนี้ปุ๊บวันนั้นนั่นกะตายวันนั้นไม่ทันข้ามวันเจอเขาจบจิตเป็นพออระอรหันต์ ถ้ากำลังใจอ่อนนิดนึงก็เจ็ดวันอ่อนตี ก, ก็จเจ็ดเดือนอ่านตีไหน ก, ก็เจ็ดปีอ่อนมากๆก็เจ็ดชาตอ้าวพระส้าดาวันท่นขัดจังอัดตรงใช่ไมเจ็ดชานแต่อ่อนใแตกก็อยู่ที่ปัญญาของเธอขยันนะนะนั่นอิทธิบาทตีเป็นสิ่งที่เัวจะต้องขยันที่จะคิด ไม่ใช่หมาย ข, ขายันที่จะให้ขยันให้จะทําให้ปกติกอยู่แล้วแต่จะต้องขยันที่ดูจัดสงบใจแล้วก็คิดในสิ่งที่จะจให้ขยันเรื่องนี้นะเวลาตั้งใจจะให้อะไรเป็นทบทวนนะแต่นั่งใครควรจะให้เป็นสมาธิสก่อนถ้าสมาธิยังไม่เกิดให้ควรจิงของเราบกพ้องคอไหนถึงิเราบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็จะสงบไปเอง พอสงบดีแล้วเดียวปัญญามันก็จะปวดคิดในเรืลองที่เราต้องการจะกิดเองแล้วเธอก็จะปข้ใจในสิ่งทั้งหลายว่าเธอให้ไปทําอะไรเธอจะเจะได้มันไหมรู้สึกยางไงทเธอได้กระทำลงไปเปลี่ยใจไหมจะบายใจไหมหมดเรื่องขายใจแล้วหรือยังหมดแล้วหันแล้วสบายใจไหมสบายตายอันนี้ตายเดี๋ยวนี้ละ่ะเจได้มันไม่เจได้ชีวิตถึงเวลาที่มีโอกาสยังไม่ตายก็ไปให้เอาไปทําให้เสร็จซะ นั้นการที่จะทําต่อไปหลังจากคิดจบแล้วไม่สําคัญเลยเห็นไหยมันไม่สําคัญเลยเห็นไห ม, ม, ไ ม, หไหมถ้าจะคิดจบตอนนั้นแล้วเธอจะจิตดั้นเธอจะมีโอกาสไปให้หรือไม่ไม่สําคัญแล้วเพราะตธอไม่ได้มากังวลใจในสิ่งที่เธอจะทํทาทําต่อไปแล้วใจก็ไม่เล่าร้อนใจก็ไม่กระสับกระส่ายใจก็ไม่มีความกังวลใจอะไรไม่มองเห็นว่าสิ่ง น, นั้นจะเป็นยังไงอีกแล้ว เราเข้าใจอารมณ์ไหมอารมณ์จบนี่แหละอารมณ์จกจิตมันเป็นกันอย่างนี้จบจิตน้อยๆก็เป็นพระอรยะน้อยๆแต่ก็ยังดีเราไม่ตกนรกไงไหมอย่างน้อยเราก็จบจิตขั้นพระโสดาบันในเบื้องต้นจบจิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องจิตแล้วว่าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายแล้ว คว่าโหดร้ายตกับใครเราไม่มีตัดกับคนอีกต่อไปแล้วไม่ยินดีเขาโหดร้ายไม่ไม่ไม่พอใจที่เขาจะทำความโหดร้ายต่อกันแล้วเห็นไหมไม่มื่อวัยแล้วไม่อยากได้ทัพของใครแล้วไม่อยากยื้แย่งของใครที่ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ไม่ใจไวแล้วคือไม่ใจเร็วมีแล้วแต่การเอาอีกมีสามีภรรยาแล้วก็ยังคิดนอกดูนอกทางอีกก็ไม่คิดแล้ว ในพวดตกแล้วไม่หมดสติแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยจิตที่เจอจะกังวลกับอัอบอายโยกุมที่ตกนรกก็ไม่ต้องมานั่งคิดกังวลใจแล้วตายเมื่อไหร่เท้าสายบ่ายข่้มเราก็ไม่กลัวแล้วว่าเราจะตกนรกจดจิตนะมเราก็จกดนะจิตที่เราไม่ต้องตกอบอายโ ย, ยกุมจิตที่เราจะทําต่อไปในยจยามที่มีชีวิตอยู่คือไปนิพพานไม่ได้ ชาตินี้นฉันต้องการนิพพานให้ได้กายเมื่อไรฉันก็ต้องการเรียนได้ใจเกิดจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปนิพพานได้ก็ปฏิบัติในการให้ทานานี่แหละจะรู้ทันทีว่าเธอจะไปนิพพานชาต น, นี้ได้หรือว่าไม่ได้นี่คือเครื่องดัดใจเธอเลยนะว่าจริงที่เธอปรารถนาซึ่งนิพพานสมบัติในภาติปัจจุบันจริงที่เป็นการให้ของเธอเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดว่าเธอยังมีความอะไรอาวรณในชีวิตไหม อะไรอาวอร์ในทัชสินไหมยังยึดมั่นหมายมันว่าสิ่งนั้นจะนำมาที่งตามตกอีกไหมแต่การให้ที่อันพูดไม่ใช่มาว่าให้อย่างหมดเนื้อหมดตัวนะเป็นการให้ด้วยปัญญาที่เกิดสมาเกิดจากสมาที่ที่บริสุทธิ์ที่มีปินอันเป็นพื้นฐานตรงนั้นต่างหากจึงจวัดจบ ไม่ใช่ว่าวัตถุธาตุต้องมากมายไม่ใช่เงินทองต้องเยอะแยะไม่ใช่อของต้องดีเหลือเกินต้องแสวงหาไอ้นั่นเราไม่จบนั่นนิวมันยังควรใจให้เราคิดแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้อยู่แสดงว่าจิตของเรายังวาเรามีเรายังอดเราจะต้องเล่นล่อไปสวรรค์ไปโมาโลกหรือมนุษย์อีกก็ได้ใจจ๊ะนันการให้ทานนั่นแหละจะเป็นเครื่องวัดว่าเจัจฉนาลีาน ไม่ต้องให้ใครมาพยากรหรอกนะตัวของเธอเองมันจะพยากรว่าจิตของเธอจะจบจิตไหมจิตของการให้ทานของเธอเนี่ยจบไหมถ้าจิตของการให้ทานของเธอจบถ้ า, า, า, น, า น, นี้จะไปนิพพานได้แน่นอนบอกแล้วอย่างช้าที่สุดก็เจ็ดปีเร็วขก็ไม่เนอะก็เจ็ดเดื อ, เ อ, อนเร็วก็ไม่นิดก็เจ็ดวันกําลังใจเป็นเ ต, เตที่เลยนะ ก็วันนั้น น, นี่ยวันที่เซอร์พิชของเซจรจบวันนั้นเนี่ยเซอร์ก็ตายวันนั้นไปนด้ผ่านง่ายไม่ปฏิบัติเอ๋จะยากก็ต้องขี้เกียจเนี่ยนะเราเ ป, เเปต้องต้งพยายามที่จะรักษาอารมณ์ใจโดยสมาธิมีอิทธิบาทตีขยันนึกถึงยามใดที่เรานึกถึงการให้ทานกต้องนึกถึงคําตั้งสอนข อ, องพระพุทธเ จ, เจ้าตั้งสอนให้เราให้อย่างไร นิสธรรมะกานั่งเสโยให้ควรจะก่อดให้ลงมือทำถูกไหมให้ควรพิจารณาที่กอนพิจารณาให้ดีให้มันจบซะอย่าให้มีอะไรคาคาลัคาใจเราอีกนิฉะนั้นมันจะเป็นโทษเ่าเธอได้กัจะทำกิริยาออกไปเจอกาลให้ระหว่างข้ามตามในที่สุดมื่อได้ทำให้เจอปุ๊บและทําให้เจอคุกกลับมากตอนที่เจอให้อีกนั่นก็จะเป็นเครื่องวัดใจว่านิพนธ์ยังห่างไกลโคน ต้องขยันที่จะให้ทานคือขยันคิดในการให้ทานให้ทา น, นี้จะถูกต้องดี ก, กว่าถูกไหมไอการให้ทานมันขยันให้อยู่แล้วคือให้เลื่อยไปก็ให้ไอะจะ่เราจะคิดอะไรก็ให้ถูกไหมให้ง่ายๆเรามีมากก็ให้สบายมากเรามีเหลือเกินเราก็ให้เราไม่ได้ใช้เราก็ให้ไอันั้นมันง่ายมันไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรก็ได้วาตัดแต่ว่าให้ไปอย่างง่ายๆสบายๆ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยจะให้นมันยากเรื่มีสิ่งที่เราหวงแหนแล้วให้เนีมันยากถือไหมมันยากตรงนี้แหละมันจะเป็นเครื่องบัดใจเธอแหละใ น, นการที่เราปฏิบัติให้เน้นเรื่องความคิดคือปัญญาบาลามีที่จะคิดพิจารณาทุกครั้งในการให้ทานของเธอให้มันเกิดความบริบูรณ์เต็มให้จิตในใจของเธอที่จะคิ ด, คดต่ออิดมันจบสิ้นัวเสีย ขอเข้าใจนะอะวันนี้ก็ขอแนะนำํำเรื่องนี้คร่า้าไม่ได้ละเอียดนะถ้าต้วงให้ให้รายละเอียดตอนนี้องทั้งวันนี้แหล ะ, ะแต่ก็ไม่ไม่จําเป็นจะหับเธอทุกคนเอาแค่เรารู้หนทางเดินของตัวแล้วว่าหลับฝนปฏิบัติยังไงนี่เข้าใจใช่ไหมเลับฝนจะคิดยังไงแเราถึงจะถึงผล ถ้เาเป็นปัจจณาอารยมรรย า, า, รายผลก็ต้องทําอย่างนั้นโดยอย่างท่านท่านปฏิปุชิกาทั้งสิ้นะสสนะเห็นท่านปัจจาเป็นแค่สวรรค์ไปเกิดในสำนักของสามีที่บนสวรรค์ดาวดึงสเกวโลกถ้านในทานทุกครั้งอธิษฐานแน่วแน่จะจ่กความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนเลยทำทุกครั้งต้องทําให้เกิดความสาเร็จผลเสมอ แล้วท่านมาตาย จ, จากการเป็นคนฟัตท่านกเ็เกิดในสนทนาของสา ม, มีบนสวรรค์ท่านได้บวชตามตามปรารถนาเห็นไหมนัม่เป็นของไมา ย, ยาถ้าท่านเปลี่ยนความคิดของท่านให้ละเอียดปราณีสนิทมองเห็นวามทุกให็นการเวียนได้ใจเกิดเป็นของไมดีท่านหน่อยกาลังใจอย่างนี้ที่ผ่านได้ง่ายตั้งใจให้เป็นคนของพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระอริยสงฆ์คุณครูบาอาจารย์ฝึกฝึกกันมา ในหลวงปู่ปานวัดปานนมโครพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชกุมยานนะให้ถึงเทวดานังป้าผมทั้งหลายที่สงเครอบห์เกื้อกูลามาโดยตลอดท่านผู้มีเมตคุที่เป็นมนุษย์จริงไม่ใช่มนุษย์จริงด้วยท่านใบตาทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์การเวียนว่ายไปเกิดได้ความดีของท่านนาำมากมายนักเราไม่มีอะไรตอบแทนท่านเด็นสิ้นหรอกมีแต่ความดีที่การเจริญพระกรรมาฐาน หรือว่าเป็นจิตที่เราทําได้ดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีในตอนนี้นา่าจะทําจิตของเราให้โปร่งใสทําใจของเราให้บริสุทธิ์ทำความแน่วแน่ของใจเราในการปฏิบัติในความเคารพจริงในพ ร, พระพุทธเจ้าพระอริยส่างจริงใจมันจะมีพาังอานิสงสงสูงในสิ่งที่เธอตั้งใจรอบน้องคุคิดให้ถวายอิทธาบุญยะพลังผลเรเบนไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็นแล้วณโอกาสนี้ขอที่หลวงคุตง่ตนนี้ให้แ ก, ก่เจ้กรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทั้งทั้งหลายจงโมทนาด้าโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัจนี้ ตร า, าเท้าก็จะพนิพพานและขอที่จงโกรธตนนี้ให้แต่เทพข้เจ้ า, จาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเจพเจ้ า, จาทั้งหลายเพื่อากลลพิทพ์และปยา ย, ยมราชขอเจพเจ้ า, จาทั้งหลายและปยา ย, ยมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสาจฉิพยาน ในกามบารมีกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เกิดและขอที่สงฆ์คนเหลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่กรดีเสวยความทุกข์อยู่กรดีเป็นาญาติโยดีพิปญาญาติโดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกับข้าพุติเช่นเดียวกับข้าเจ้าแก่คได้รับแม้การระบัดรดียวนี้เกิดผละบะญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ังเพ็นแล้วณนะโอกาสนี้อผละบะญนนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระอิภาน ในชาติตาุบันดยเช่นพระอังกัมมตุโตภะคะวาโคตังพระตะ ว, วันจางอภาิวาเจมิตวขาต่อพระตวระวต า, สมมสมมาตามโมอัมบงนัปมาานิ ตุปสิปันโนพควตโตสาวกสังโคสามคังนัมาวันนี้บูชาทุกคนนะ